أعوذ ب ا ل له من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا ع ل ل م َ ل ن ا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ر ระบิดาช رح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدام من لساني يقه ف قولي اللهم ا ن ف ع إ ن ا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علم ا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ت غ ف ر لنا وترحمنا ل ن ك و ن ن من الخاسرين ขบนาเอ ن ินาหมิ่นหลานคَรห์มะวเฮีหลานินอรินา رش ะเดะอัลฮัมดุลิลลาฮฺครับซูร่าทุจุขุรฟันี้เป็นครั้งที่สองรอบที่สองหรือตอนที่สองนะครับอินชาอัลลอเราจะอ่านตั้งแต่อายะที่เก้าจนถึงอายะที่สิบสี่นะครับเดี๋ยววันนี้มีดูอาด้วยนะครับดูอาอะไร เป็นดูอาที่พวกเราคุ้นเคยกันดีและน่าจะได้ใช้ทุกวันนะครับดูว่ามันเกี่ยวอะไรนะครับบางทีเราก็คุ้นเคยกับดูอานี้แต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ในซูรุตุอัลซุครุฟนะครับมาดูกันเลยนะครับซุครุฟอัลซุครุฟอายั ท, ที่เก้าเป็นต้นไปจนถึงสิบสี่อินชาอัลละฮ أستغفر الله أتوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن ا سألتهم من خلق السماوات والأرض לא يقولون خلقهن العزيز العليم <لا> الذي جعل لكم الأرض مهدا <ت ص في ق> وجعل لكم فيها سبل لعلكم تحدون <ت ص في ق> والذينزل من السماء ما بقدر ف ฟนชรน์น์َีฮ م บ ي ت เดต์มิตะกาฬิกาท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 ل ِั ت งสองจะ و ้องรู้ว่าท่านจะตُองรู้ว่าท่านจะต้องรู้ว่าท่านจะต้องร وَتَقُولُ سُبَحَانَ الَّذِي س َ خ َ ر َ لَنَا ه ََ ا อัลลอฮฺจำได้ไหมว่าดูอาอะไรอ่านหรือเปล่าถ้ารู้ถ้าถ้าอ่านก็ต้องรู้ถ้ารู้ก็ต้องอ่านอ่ะดูอาอะไรเอ่ยดูอาขับขี่พาหานะอัลลอฮแล้วรู้หรือเปล่าว่ามันอยู่ในอัลกุรอานที่อ่านอ่านกันที่ผ่านมานี่รู้ไหมนึกว่าเป็นแค่ดูอาธรรมดาหรือเปล่ารู้ ใครใครทราบบ้างว่าดูอาขึ้นรถดูอาขี่รถเนี่ยมันเอามาจากอัลกุรอานนะไม่ใช่เป็นแค่ฮะดีสนะเป็นดูอาที่ถูกพูดถึงนะครับในซ ah ูระจุซุอ่าเดี๋ยวเราจะอธิบายกันกลับไปที่อายติกาวอัลลอฮฺสั่งลาตรัสว ah um ่าวลาอินซอัลท่ฮุม มัน خلق السماءات والأرض แล้วอย่าพูดว่เรา้เจ้าคือมุฮัมมัดถ้าหากเจ้าอ้มุฮัมมัดถามพวกเขาถามใครก่อนหน้านี้เราพูดถึงใครในตอนที่เราพูดถึงใครอยู่พูดบรรดาถึงพูดถึงบรรดาพวกมุชริกินกุไรชที่ไม่ยอมรับอัลกุรอาน แต่ละตากเราก็บอกว่าไม่ยอมรับไม่เป็นไรพระองค์จะไม่หยุดไม่หยุดในการที่จะเอาอลัลกุรอานมาเปิดเผยแกมนุษยชาติเราหวังว่าคนนี้ไม่รับอีกคนหนึ่งจะรับไม่มีปัญหาเจ้าจะไม่รับไม่มีปัญหามีอีกหลายคนที่จะรับนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตัลลจะไม่หยุดประทานอลัลกุรอานของพระองค์อัลลอฮฺตัลล บ, บอกกับท่านนาบีสลาลฮละอัลลว่าเป็นเรื่องปกติ ที่ทุกครั้งเวลามีนบีคนไหนถูกแต่งตั้งมาให้เป็นรอซูได้เป็นนบีมาศึกมาทํางานดาวะมาเชิญชวนให้คนศรัทธาต่อรัชสภาเราใจละ่ะเป็นเรื่องปกติที่ว่ากลุ่มชนของแต่ละนบีเนี่ยจะเยาะเยะ้ยล้อเลียนบางกลุ่มก็ศรัทธาบางกลุ่มก็ไม่ศรัทธาแล้วก็ไอ้พวกที่ไม่ศรัทธาเนี่ยเยอะกว่าพวกที่ศรัทธาด้วยซ้ําเป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเจ้าทำหน้าที่ของเจ้าไปหลังจากนั้นอัลลอลาก็พูดถึงนิสัยของพวกคนเหลา่านี้ว่ล้อินเสอล์ะหฮุมถ้าเ้าถามพวกเขาโอ้มู้ฮะมัตว่า ม, د, ามนุษยสราวรรค์แลลกถ้าเราถามพวกมุชริกีนถามพวกกูรรช่วใครสร้ า, า, างท้องฟา้าและแผ่นดินจริงๆแล้วคนเหล่านี้ยอมรับ และผูู้ลุนนั้น خلق ุนนั้นะุลอาลีพอเขาก็จะตอบว่าผู้ที่สร้างท้องฟ้าและแผ่นดินก็คือใครครับคืออัลลอฮ์อัสซาลาฮคนเหล่านี้ยอมรับถึงการมีอยู่ของอัลลอ์ยอมรับถึงการ อ, อ, อะไรนะการสร้างความสามารถหรือพระเดชานุภาพ ของ Allah سبحانه و ะ ع าล ى แล้วทำไมพวกเขาถึงไม่เคารพพระกีติ Allah แล้วทำไมพวกเขาถึงตั้งพักีกับ Allah ตรงนี้แหละที่เป็นเหตุเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปเรียนในตำรับตำราที่พูดถึงเตาาฮีดหรือวิชาอากักดัชเนี่ยนักวิชาการในด้านเตาาฮีดเนี่ยเขาจะบอกว่าบรรดารอซูลทั้งหมดเนี่ยริซาละสารของบรรดาร a s ทั้งหมด ที่ถูกประทานลงมาให้มาเป็นรอซูลบนหน้าแผ่นดินเนี่ยปริาละหรือสารที่รับมาจากอัลลอฮุ س ب ح ا ะก็คือไม่ได้มาบอกให้แค่รู้จักว่าใครสร้างฟองฟ้าและแผ่นดินแล้วจบไม่ใช่แค่นั้นแต่สิ่งที่บรรดาเนบีและบรรดารอซูลเนี่ยเอามาจากอัาาาลลอฮุ س ب ะก็คืออันะบุดุลลอว่าจิตเนิบุตตอุตบอกให้มนุษย์ทั้งหมดเนี่ย อิบาตดะต่อล l l a h คือรู้จักพระเจ้าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นฟิตรหของมนุษย์ที่จะต้องยอมรับว่ามีอำนาจมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ควบคุมจักรวาลที่ควบคุมสรรพสิ่งต่างๆเหมือนเป็นฟิตรหที่มนุษย์มันมีอยู่แล้วแต่ไอการที่จะไปเคารพพักดีต่อ Allah ตาลาต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่ในหมู่มนุษย์เพราะชัยตอนมันมีอิทธิพลเพราะ อะไรวัฒนธรรมเราะอารยธรรมของอูย่าตายหญงนั้นหน้าที่ของบรรดานับีทั้งหมดก็คือมาแก้ปัญหาเรื่องชริกในด้านอุลูฮียะในด้านของการเคารพพักดีอิบาดะต่ออัลลซุบฮานะฮวะตะอาลาเรื่องรู้จักว่าอัลลมีอัลลอฮฺสังท่องฟ้าสังินมุสินรู้จักมุินมุสิกินยอมรับ การรู้จักอัลลอฮ์อย่างเดียวว่าอัลลอฮ์สร้างฟองฟ้าสร้างแผ่นดินถามว่าพอไหมที่จะให้คนเหล่านั้นหลุดจากสภาวะของคนที่ต้องตกนะรกอัลลอฮฺว่าเลียบุบิลัยมันซาลิกเพียงพอหรือเปลา่าแค่รู้จักว่าละกัลลาสร้าง้องฟ้าสร้างแผ่นดินพอไหมไม่พอเพราะถ้าเราบอกว่าช ร, รู้จักอัลลอฮ์รู้จักว่าพระองค์สร้างท้องฟ้าและแผ่นดินแล้วทาไมท่านนบียังต้องไปด่วาว่าอีกอะ แปลว่าไม่พอเท او ฮิดที่รู้จักอัลลอฮ์แค่สร้างท้องฟ้าสร้างแผ่นดินเราเรียกว่าเท او ฮิดรูบูบิยะแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นแต่เต او ฮิดที่เป็นอัลมัซซัลเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเป็นตัวจำแนกเท او ฮิดประเภทของเตา و ฮิดที่เป็นตัวจำแนกว่าใครจะได้เข้าสวรรค์กับอัลลอฮ์ ใครที่ต้องได้รับการลงโทษคืออหิบุลอุลูฮิยาอหิบุลูฮิยเอหิบที่เราต้องยอมรับว่า Allah อลัลลอฮฺจะลาเป็นพระเจ้าแล้ ว, วเขาก็ต้องอิมัลัดต่อพระองค์สิพวกมุสลินยอมรับว่า Allah อลัลลอฮฺจะลาเป็นพระเจ้าทำไมถึงชีริกต่อพระองค์ละ่ะอันนี้แหละคือปัญหาของพวกเขาดังนั้นระวังให้ดีพฤติกรรมนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะในยุค ข, ของมุสริกีนในยุค ข, ของเราก็น่ากลัว นักวิชาการอุลลมะบางท่านบอกว่าบางทียุคของเราหนากลัวกว่ายุคของมุสลิกนพวกมุสลินเนี่ยเขาจะชีริตต่อละแตาลาตอนที่เขาสบายเวลาที่เขาลำบากเขาจะกลับไปหาอัลลอ์มีนะอายัอื่นนะที่บอกว่าอ่ะเวลาที่ลงเรือลงทะเลไปเจอคลื่นเจออะไรเนี่ยลาอุจจะมามนาสามร้อยหกสิบตัวที่อยู่รอบรอบกาบะเนี่ย ไม่อยู่ในความทรงจำแล้วไม่อยู่แล้วเวลาที่เจอกับคลื่นมีใครมีแต่อัลลอฮ์องเดียวเวลาลำบากเนี่ยเวลาทับขันเนี่ยจะนึกแต่อัลลอ์พระองค์เดียวนี่คือมุสริกินในสมัยก่อนชีริกเฉพาะตอนสบายตอนลำบากเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์นะแต่มนุษย์ในยุค ข, ของเราเนี่ยน่ากลัวกว่าตอนสบายก็ชีริกต่ออัลล์ตอนลาบากยิ่งชิริกต่ออัลลอฮ์เขาไปใหญ่ ใครที่แย่กว่ากันกุลัยาดูเบลล่ามุชริกีนในยุคสมัยปัจจุบันน่ากลัวกว่าเพราะว่าไม่เคยนึกถึงอัลตัลลาเลยตอนสบายก็ไม่นึกถึงตอนลําบากนี่ยิ่งเข้าไปใหญ่ยิ่งแล้วใหญนะ่อันนี้คือสิ่งที่อัลตัลลาเอามาอ้างเอามาพูดหลังจากที่นะได้ยกข้อความมาก่อนหน้านี้ว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมาเป็นภาษาอารับพวกนี้ก็ไม่สนใจทั้งๆที่มันเป็นภาษาของพวกพวกมันเอง น่าจะให้ความสําคัญน่าจะยอมรับได้ไม่ยอมรับแต่ละแห่งล่ะละนะอัลลอีอ่ะแล้วพระองค์ก็พูดถึงพระเดชานุภาพยกตัวอย่างความสามารถรูบูบิยะของพระองค์รูบูบิยะกับอูลูฮิยะเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันแน่นแน่นมากถ้ามนุษย์ยอมรับในรูบูบียะของละจะาราได้เหตุใดถึงไม่ยอมรับในอูลูฮียะของ a ล l a h พวกเราเข้าใจนะสองคำนี้นะ รูบูบี้หมายถึงการเป็นพระเจ้าในแง่ที่ว่าอัาลลอฮฺเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้เป็นผู้ทําให้เรามีชีวิตเป็นผู้ทําให้เราตายยอมรับผู้ใช้กินยอมรับในเรื่องนี้เตฮิตปุโรหียะหมายถึงในเมื่อเรายอมรับแล้วว่าพระองค์มีอํานาจเราก็ต้องมอบอิบาัตเตของเราให้พระองค์แค่ผู้เดียวเท่านั้นอย่าไปมอบให้กับองค์นี้องค์นั้นไม่รู้ตั้งกี่องค์สามร้อยกว่าองค์สี่ร้อยกว่าองค์ หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมอ่ะเพราะทั้งหมดนอกจากละตาานั้นล้วนแล้วแต่เป็นมรุ่ยแล้วสามร้อยกว่าสิบตัวที่อยู่รอบๆกันนี้ถามว่ามีความสามารถในเชิงรูบูบิยะสักข้อหนึ่งไหมอ่ะไม่มีเราเห็นได้ถึงได้มอบอุลูฮิยะให้กับคนเหล่านี้เขาใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมพยายามอธิบายเนี่ย Allah จะละส่งครอบครองความเป็นรูบูบีอะต้องมีความสามารถในการสร้างในการจัดการทุกอย่างแต่ผู้ชริกินไม่ยอมมอบการอิบาดะหรืออุโลหะให้พระองค์ในขณะที่สิ่งที่พวกเขาชริกและตั้งภาคีเนี่ยไม่ได้ครอบครองการเป็นรูบูบีอะเลยสร้างก็ไม่ได้ให้ชีวิตก็ไม่ได้ให้ความตายก็ไม่ได้สร้างทองฟ้าก็ไม่ไดส้สร้างแผ่นดินก็ไม่ได้สร้าง แล้วทําไมคนพวกนี้ถึงมอกอูลุฮีย์ให้กับสิ่งที่พวกเขาชีริกรเข้าใจไหมครับซึ่งตะ ก, กะมันมันไม่ใช่แบบนั้นสติปัญญามันก็ยังรับไม่ได้เลยอิละห์อิอาาลล allah อัลตัลันับความเป็นรูบูบียะของพระองค์ซึ่งชิริกทั้งหลายของที่พวกเขาตั้งปักีทั้งหลายเนี่ยทําแบบนี้ไม่ได้เลยสักข้อหนึ่งอะไรบ้าง E a ja l l ล h z i jālalakumul arḍa mahda Allah คือทรงทำให้แผ่นดินเนี่ยราบเรียบให้พวกเจ้าได้ใช้ชีวิตอย่างสบายเห็นไหมส่วนใหญ่แล้วที่อยู่ของมนุษย์จะอาศัยอยู่ในที่ไหนที่ราบถ้าเป็นที่สูงก็เรียกว่าที่ราบสูงน้อยมากประชากรที่จะใช้ชีวิตอยู่บนแบบ อห้อยอยู่ตามพวกเขามีไหมมีแต่ว่ามันไม่เยอะส่วนใหญ่เราจะหาที่ราบด้วยก่อนอเป็นที่อาศัยอยู่มาฮันเดนหมายถึงเป็นที่ราบอ่าปลูกพืชปลูกผักปลูกอะไรที่เป็นความจําเป็นของตัวเองได้อย่างสะดวกสบายนะครับเหมือนกับปูพื้นปูผ้าปูพรมอะ่ะให้เดินเหินได้สะดวกให้เดินทางได้สะดวกให้ทํามาหากินได้สะดวกนี่ใครเป็นผู้สร้างแบบนี้อัลลอฮ์เป็นผู้ทำให้แผ่นดินเป็นอย่างนี้ ว่จอะไรละกุมฟีฮาสูบูลาเหนไหมนอกจากจะสร้างผืนดินให้เป็นที่ราบแล้วยังสร้างทางให้เป็นทางถ้ามีภูเขาเนี่ยก็ยังมีทางเป็นช่องระหว่างภูเขานามีวาดีสมัยก่อนคนอารับเนี่ยเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะต้องผ่านช่องเขาเดยที่เรียกว่าวาดีเห็นไหมคนมันคิดทางได้ยังไงใครเป็นคนสอนเนี่ย คิดทางว่าต้องไปทางนี้สมัยก่อนไม่ได้มีทางหลวงทางจัลนบทแบบเราแต่ว่าเดินไปไปเดินไปเดินไปสุดท้ายมันกลายเป็นกลายมันเป็นทางเองนะแล้วทางที่เราเคยเดินในอดีตนีะ่ะที่ปู่ย่าตายายเราเคยใช้จะอ่านนี่แหละกลายมนเป็นทางในปัจจุบันตุภานะลลอละอัลลอฮุโตะตะดูนเพื่อว่าพวกเจ้านี่จะจะได้ใช้เป็นเป็นไกด์แต่แตะดุนก็คือใช้เป็นใช้เป็น จะได้รู้สมมุติอ่ะเวลาที่บอกว่าอ้าวไปทางไหนเนี่ยไปทางภูเขาสองลูกนี้อ่าเวลาถามว่าสมมติส ม, มัยก่อนจะไปพังงานคนภูเก็ตเนี่ยไปพังงานที่เขาไปทางไหนส ม, มัยก่อนไปทางเรือหรือว่าไปทางบกไปทางไหนสมัยก่อนไปทันยังทันไหมส ม, มัยเรือที่ใช้เรือนี่ทันไหมมังกรีทมทันหรือเปล่าอ่ะไม่ทันนะมีใครทันแบบใช้เรือไหมจะไปพังงานส ม, มัยก่อนเขาบอกว่าเนี่ย จะเข้ามาในตลาดนี่ก็ต้องมาทางเรือหรือเปล่าฮ ะ, ะยังไม่มีทางก็ต้องใช้เรือใช้อะไรรู้ได้ยังไงว่าต้องไปทักไหนรู้เพราะว่ามันมีบางทีเนี่ยไอสถานที่ต่างๆเนี่ยที่เราตั้งชื่อกันไปมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเดี๋ยวไหมทาไมตรงนี้เรียกว่าบางชีลาวะทำไมอะทไมทางต้นมะขามทางต้นมะม่วงอะไรนะแถวแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ บางใช่ไหมบางหรือเปล่าบางนี่หมายถึงอะไ ร, รอ่ะบางนี่หมายถึงคลองหมายถึงอะไรหรือเปล่าอ่าฮะไม่ถ้าถ้าไปทางระนองเนี่ยมันจะมีอะไรนะมีบางเยอะอะอ่านี่ยนี่ไงบางชีเล่าก็คือใกล้กลแหล่งน้ําอ่าบางก็คือใกล้แหล่งน้ําเวลาจะบอกว่าไปทางไหนทางไหนอ่ะก็จะต้องบอกจุดสําคัญสําคัญนี่แหละคือ ละอัลลอฮ์กุมตัดาดุสุบ้านอัลลอฮ์ทางที่เราใช้ไประหว่างเมืองระหว่างตำบลระหว่างหมู่บ้านเนี่ยมันมีจุดที่เราใช้จำได้ไม่ให้เราหลงอัลลอฮ์ละตาละให้เราได้ใช้ความรู้นี้พระองค์ให้ความรู้นี้กับเราอ่ให้เรารู้จักใช้เส้นทางอัลลอฮวอักวาล์อัลลอฮ์นี่เราไม่เคยคิดเลยนะอ่า บนแผ่นดินพระองค์ทําให้มันราบเรียบให้มีเส้นทางเดินไปเดินมาได้บน้องฟ้าล่ะวะลัดีนอัลแจลนอัลสเมาอีมาอัลบิคอตัรพระองค์ผู้ทรงประทานน้ําฝนลงมาน้ําลงมาจากท้องฟ้าตามปริมาณที่กําหนดพระองค์ประทานน้ําฝนลงมาเนี่ยฮะมีปริมาณเนี่ย ปริมาณเท่าไหร่ที่มันเหมาะสมต้องการให้ลงมาเท่านี้ ต, ต้องการให้ลงมาเยอะหรือน้อยแล้วแต่อยู่ในกำหนดการของพระองค์ทั้งหมดแล้วให้มันเป็นมอสละให้มันเป็นผลประโยชน์สำหรับมนุษย์สำหรับสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินเบลกอเดรนี่เขียนว่ายังไง บิดาดาร์ไม่เพิ่มเยอะเกินไม่หนักเกินว่าจะคุณอัยตันบิด الحاج ไม่ยังค بحيث ไม่คุณในนั้นว่าไม ي ยัง بحيث จะดูอิ่มบ้าและอัลฮัมดุลิลลตกฝนตกกี่เดือนแล้วก็แรงกี่เดือนอยู่ในการให้การกาหนดของล็อกสภาเราแต่ละทั้งสิ้น บบลดาตมาเวลาที่น้ำฝนตกลงมาแล้วเป็นยังไงแผ่นดินที่เคยแห้งเหือดมาชาอลอ์เขียวขจีวันสองวันวันนี้มีคนแชร์รูปเยอะมากรูปที่ไหนรูปที่มักกะเขียวหมดเลยมาชาอลอ์ก็บอกว่าแปลกมากปีนี้เนื่องจากว่าฝนตกค่อนข้างที่จะเยอะมักกะ แต่ถ้าใครคยไปเนี่ยเราอักบัดภูเขาไม่มีต้นไม้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เหมือนอยู่ในเมืองฝรั่งเลยนะมีต้นญ้ามีดอกไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยนี่คนอาหรับจะเข้าใจอายัดนี้ดีมากาเราเคยพูดอนะไรเขาคนอาหรับเนี่ยเวลาที่น้ําฝนตกลงมาเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เขาจะดีใจเหมือนวันอีดเฉลิมฉันคือดีใจเหมือนวันอีดโทรศัพท์ไปหาคนนั้นโทรศัพท์ไปหาคนนี้ฝนตกไหมฝนตกไหมดีใจที่ว่ามีฝน เพราะเขาจะได้เห็นการเปือนแปลงของแผ่นของดินของสถานที่นี่มันแบบเห็นได้ชัดมากอ่ะบ้านเรานี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าทุกคือมันเถียวตลอดทั้งปีคนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับมาชาอัลลอฮ์นะ فَأَنشَرْنَا بِهِ ب َ ل ْ د َ ة เหมือนมันเหมือนเป็นคนตายจริงๆนะเหมือนแผ่นดินเนี่ยต้นไม้เนี่ยเหมือนเหมือนตายไปแล้วอ่ะแต่มันฟื้นขึ้นมาได้อยังไง Allah อาลายใช้หลักฐานตรงนี้เนี่ยมันจี้จุ ด, จดพวกมุริกีนแคสาริกะตุครายุนะพวกเจ้าก็จะออกมาเหมือนต้นไม้นี่แหละแต่ที่พวกเจ้าไม่ยอมเชื่อว่าตายไปแล้วนี่จะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอุ้ยสติปัญญารับไม่ได้อันั้นดูดูพืชต่างๆที่มันตายไปแล้วแล้วมันฟื้นขึ้นมาได้ยังไงตายไม่รู้ตั้งกี่เดือนกี่ปีสุดท้ายมันก็ฟื้นขึ้นมาอีกไม่ใช่เฉพาะ อืนะบางทีสัตว์บางตัวเหมือนกับช่วงฤดูร้อนนี่คือไม่รู้อ l l a ล, ล, ลสร้างระบบนี้มาได้ยังไงทำให้สัตว์เหมือนเหมือนแข็งอยู่ตรงนั้นอะ่ะไม่ขยับขยเยนไปไหนแต่พอน้ำฝนมาสักหน่อยนึงเองเป็นยังไงพลหัวออกมาแล้วกระเด็กระทุกขระอยูอลล l a h ทรงมีความสามารถแล้วเราจะไป จะไปคิดให้มันหุกปวดหัวทําไมในเมื่อะะเราพระองค์มีความสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุก อ, อย่างได้แกเรียกแกจะขรรจูเช่นเดียวกันนี่แหละที่พวกเจ้าเนจะออกมาอีกครั้งหนึ่งในวันเกียรติละอิลอลัลลอฮพวกเจ้าเชื่อสิ่งที่สายตาของพวกเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมว่าต้นไม้นี่มันออกมาได้ยังไงหลังจากที่มันตายไปแล้วในทะเลทรายที่แห้งเหือดแล้วพอน้ําฝนตกลงมาอ่ามันตื้นขึ้นมาได้ Allah เป uh ็นผ uh, ah uh ู้ทำให้มันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วนับภาษาอะไรกับชีวิตของพวกเจ้าเุณนฮาแนลลอฮ์อะไรต่อความสามพันธล Allah تعالى อีก والذي خلق الأزواج كلهاAllah تعالى เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกประเภทอจวะตรงนี้เนี่ยหมายถึงทุกรูปแบบเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงตัวผู้ตัวเมีย มีชีวิตไม่มีชีวิตท้องกลางวันกลางคืนทั้งหมดนั้นเป็นการสร้างสรรค์าอัลลซุบฮานฮวะตะอลอัลอซวาจุลลาต้นไม้ก้อนหินตินม่น้าทะเลทั้งหมดนี้ใครสร้างอัลลเป็นผู้สร้างทั้งสิ้นัลลอลอซวาจุลลาะาาละุมมินัลฟุลวัลอันาม ม้จะกบูนเป็นเองลองนับดูนะว่าเราแต่ลาพูดถึงอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่แผ่นดินให้เราได้อยู่อาศัยเส้นทางให้เราได้ใช้เดินทางบนแผ่นดินอให้แม้ให้น้ําจากคลองฟ้าน้ําฝนแล้วก็ให้พืชพันธุ์ต่างๆงอกเงยขึ้นมาแล้วทุกอย่างพระองค์สร้างมาหมดคือเหมือนเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบเป็นวัสดุทั้งหมดเนี่ยให้เราได้ใช้แล้วสุดท้ายเราเอาไปทําอะไร อัลฟุลค์ทำอะไรครับทําเรือทําพาหนะเอามาจากไหนเอามาจากวัสดุที่เราแตะเราสร้างมาเนี่ยแหละสมัยก่อนเขาสร้างเรือจากอะไรสร้างจากไม้นะทุกวันนี้เขาสร้างเรือจากอะไรก็จากไม้ก็มีจากไฟบไฟเบอร์จากอุปกรณ์ต่างๆนานาพัฒนาขึ้นมาก็ยังมีอยู่สุภาพนั่นแหลนะครับเครื่องบินเครื่องบินเนี่ยก็คือเรือเรือบินน่ะ สมัยก่อนเขาก็เรียกเรือบินก็เอามาจากเรือเหมือนกันเครื่องบินก็มาจากเรือบินใช่ไหม ก, ก็กลี้ยกันไปนะครับไอ้ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองก็คือพวกเรือพวกรถพวกเครื่องบินแล้วที่อัลลอลาสร้างมาให้มันเป็นพหะนหน้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องไปปรับแต่งใหม่ก็มีอะไรอ่ะวัลอันามสัตสว์สี่เท้าสัตว์ที่เป็นอัลอันามพวกวัวพวกควายพว ก, พวก มาพวกอูดสิ่งต่างๆเหล่านี้มนุษย์ได้ใช้ในการเป็นมาจรกบูนได้ขี่ไปมาอัลลอัฺถ้าไม่มีเครื่องมือในการคมนาคมเหล่านี้ลองนึกจินตนาการดูซิว่ามนุษย์จะอยู่ยังไงอะพี่น้องลองจินตนาการดู ว, ว่าถ้ามนุษย์ไม่รู้จักการใช้อูดการใช้ อ้าว a l ตาเราไม่ได้สร้างปูนไม่ได้สร้างมา้ามาเนี่ยมนุษย์จะไปจะเดินทางยังไงเราเราจะเป็นยังไงอะ่ะะเราจะเกิดตรงไหนเราอ้ออากบัตทุกวันนี้การคมนาคมเนี่ยกลายเป็นอุตสาหกรรมถูกต้องไหมครับอุตสาหกรรมกลายเป็นอะไรที่ใหญ่ยิ่งให ญ, ใหญ่ถ้าไม่ถ้าถ้าเพียงแค่มันหยุดสักหนึ่งวันเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลย เพราะทุกวันนี้เนี่ยของต่างๆบางทีเราเราไม่ได้เอามาจากพื้นที่เองมันไม่มีนะต้องเอาจากจีนต้องเอาจากยุโรต้องเอาจากอ่าอรับเองอาหารเดี๋ยวนี้บางอย่างเนี่ยไม่มีในประเทศต้องเอาวัสดุดิบมาจากประเทศไม่รู้ประเทศไหนเกิดสงครามรัเสเซียกับยูเครนอะไรที่อะไรที่ขาดตลาดนะอะไรนะมอนก่อน ไอ่ข้าวสาลีข้าวสาลีเนี่ยกลายเป็นอาหารที่ว่าต้องไปเอามาจากตสรกีถ้าไม่มีเนี่ยเอและนี่คือ น, นี่มาไม่ได้เพราะเพราะสงครามแต่ถ้ามาไม่ได้เพราะการธนาคมตัดขาดเป็นยังไงอพวกเราก็รู้ดีช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นยังไงตอนที่เครื่องบินไม่ไปทุกอย่างหยุดอยู่กับที่หมดมนุษย์อยู่กันยังไงอัสสลานุอ ล, ลัยลาฮฺนี่เป็นนิสัยที่เราไม่เคยตระหนักเลยมนุษย์ไม่เคยตระหนักเลย แล้วการทำนาคมแต่ละอย่างเนี่ยอัลลอฮฺอักบาร์เป็นเนืหมักที่ยาอัลลอฮ์เนี่ยมันอยู่ในดุอาเนี่ยดุอาที่เราใช้อ่านเวลาที่เราขี่พาหนะไม่ว่าจะเป็นพาหนะที่เป็นสัตว์หรือพาหนะที่เป็นเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยอลัลลอสกิดให้เรารู้ถึงคุณค่าของมันว่ายังไงลาิ ให้พวกเจ้าเนี่ยได้มั่นคงอยู่บนหลังของมันน่อยู่บนโอูดก็จะได้อยู่แบบมั่นคงเวลาเดินทางก็ไม่ตกไม่ลนหรือถ้าอยู่บนเรือก็ไม่ถูกคืออยู่ปลอดภัย อ, อ่ะไม่มีปัญหาใดใดไปถึงที่หมายได้สบายอิตสตวอลลฮูริไอ้พวกเจ้าอยู่บนนั้นอย่างมั่นคงและพวกเจ้าก็ซึมมะเต็รูนิเมตอัลบบิคม ไอ้พวกเจ้านึกถึงนะหยมัดขอว่าตาลาที่พวกเจ้าได้มีพาชนะเหล่านี้อัลชอลาเรานึกไหมว่าพาชนะที่เราใช้รถที่เราใช้มอเตอร์ไซค์ที่เราใช้เครื่องบินที่เรานั่งเวลาที่เรานั่งเครื่องบินเรานึกถึงอะไร <c oughs> นึกถึงอะไรสุภาพน้าลอถ้าอัลตาลาไม่ทําระบบลมไม่ทําระบบเครื่องยนต์ที่ให้เครื่องบินมันบินได้เนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นยาอัลลอฮ์ الله, และอิลลัลลอฮ์เรือใหญ่ขนาดนั้นตําหนักเป็นพันพันตันทําไมมันไม่จมน้ําเพราะอะไรเพราะอะไรมันไม่จมนี่คือระบบที่อาัาลลอฮ์สร้างมาและอิลลัลลอฮ์แรงตึงผิวยังไม่กคยเรีแรงตึงผิวมนุษย์เนี่ยกระโดดลงน้ำปุ๊บจมเลยแต่ทําไม่เรือที่หนักกว่าเราอีกมันไมจมทําไมเราไม่คิด สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราใช้ความคิดสักหน่อยนึงมันจะทำให้เราได้นึกถึงเน็ตมัดตอลอดเะลาทั้งสิน้นพระองค์ต้องการให้เรานึกถึงเน็มัดของพระองค์เวลาที่เรานั่งอาหาระต่างๆพวกนี้อิจตตวยทุมอะไรให้เราได้นึกถึงเน็มัดของพระผูะ้เป็นเจ้าของเราของพวกเจ้าเวลาที่พวกเจ้านั้นนั่งพร้อมและอยู่ตรงนั้น แล้วพกเจ้าก็อ่านว่าวัตะกูลูพวกเจ้ากล่าวว่า سبحان الذي صخر لنا ه ذ ล الله أكبر เริ่มต้นด้วยการทศเสห์มหาบริสุทธิ์ยิ่งอัลลอฮ์ละ ت ้ทสงทาให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มีความสะดวกสำหรับเราไม่ใช่พลังอำนาจของเราเลยเรือเราสร้างมันขึ้นมาก็จริงแต่ถ้าไม่มีลมของเราไปได้ไหมไม่ไนดะ้ ถ้าไม่มีแรงตึงผิวที่อาัาลลอฮฺสร้างมาให้กับผืนน้ําเรือมันจะลอยได้ไหมไม่ได้เครื่องบินก็เหมือนกันมนุษย์สร้างเครื่องบินมาสร้างระบบคอมพิวเตอร์เสร็จสับมาแต่ถ้าลมฟ้าอากาศไม่อํานวยบินได้ไหมไม่ได้บินขึ้นไปข้างบนเสร็จปุ๊บเจอกับหลมอากาศไปต่อได้ไหมก็ไปต่อไม่ได้ใครเป็นผู้ทําให้มันสะดวกอัลลอฮฺสุบฮะไม่ใช่อํานาจของเราเป็นอํานาจของ Allah กลับไปที่ a ล l a h เหมือนเลย س ب ี ا ัก ل ذ ي سخر لنا هذا เพราะฉะนั้นอย่าลืมเวลาที่เราขี่รถเวลาที่เราขับรถเรารู้สึกว่าเราโอ้โหได้ควบคุมมันถ้าเราจลาลลทํ า, าให้เราหลับอ่ะคุมมันได้ไหมบางทีเวลาที่เราหลับไงหนึ่งนาทีมันยังไงฉลับนิดเดียวมันยังไงคลิกได้แล้วเห็นไหมใครมันผู้ทําให้เราขับรถได้แบบโอ้โหบางคนขับรถนี่แบบไม้เกรงอกเกรงใจคนอื่น ไม่นึกถึงเลยว่าสิ่งที่นะปัจจัยที่ทำให้เขาได้ขับรถอย่างสะดวกสบายก็คือการอํานาวยจากอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ดังนั้นมุสลิมทุกครั้งเวลาที่อยู่บนปานะจ ะ, ะ, ะนึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดังนั้นนึกถึงอัลลอฮฺว่าัลลอฮฺมหาบริสุทธิ์จริงอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه ะ ا ل ผู้ทรงทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมหรือว่าสามารถใช้ในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺ อำนวยให้กับเราได้ว่มาคุณนัลฮูมกรีนีเราจริงๆแล้วเราไม่ได้มีอำนาจที่จะคุมพหานะของเราหรอกถ้าสมัยก่อนอูดเนี่ยใหญ่กว่ามนุษย์ไหมใหญ่กว่ามนุษย์แล้วมนุษย์เนี่ยไปคุมโอดเนี่ยใครเป็นผู้ ด, ดําเนินเป็นผู้อำนวยให้เราสามารถคุมโอดได้นะช้างนี่ใหญ่กว่าโอดอีกมนุษย์คุมช้างได้สุบฮานละลอ ทั้งหมดทั้งมวลถ้ารัตตะเราจะให้ช้างมันตกมันช้างมันหันมาฟาดคนได้ไหมได้ทั้งหมดเลยแต่รัตตะละอัาลลอฮฺบอกกับช้างว่าไม่เป็นไรให้มนุษย์จูงเจ้าไป <c oughs> และอิละฮ์อิละลลออัลอลอฮฺาาอาาเป็นผู้กําหนดให้มาโครของพระองค์มารับใช้เราแล้วทําไมเราถึงไม่นึกถึงอะเนื้มัดหรือบุญคุณของพระองค์อัาลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่อินนาอิลลารอบบินะเลมองกัลิบ่าและแท้จริงแล้วเราทั้งหมดเนี่ยจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ل าในวันกิยามะมันมีนัยยะสำคัญมากๆนะครับละอาที่เราใช้อ่านเวลาที่เราจะขับรถขี่รถเนี่ยพี่น้องคิดว่ามีนัยยะอะไรบ้างหนึ่ง ในยะแห่งการเตาฮ e a เวลาที่เราจับนะจับลับจับพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยอ่าเราก็จะได้ลบความรู้สึกอะไรเหมิมเกริมรู้สึกโอ้โอวดรู้สึกอะไรเพราะเราได้นึกถึง Allah แล้วสุบฮาน Allah สุบฮาน阿拉ซคาร่าแล้วน่ลละขข า, ะ, นา ะ, ะการเดินทางของเราก็อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าล l ล a h อัลอลอเป็นผู้ช่วยอยู่ตลอดทางะไม่หลงระเริงไม่ถับโดยประมาทหรือไม่อะไรก็ว่าไปสุบฮาน a ล l a แล้วลอลิลลัลลอฮฺใหิกเรต่อลัลลอฮซุบฮาบะอัลลฮฺอยู่เสมอแล้วให้นึกว่าสุดท้ายเวลาที่เราเดินทางถ้าในโลกดุนยาเนี่ยเราเดินทางไปมักกะสมมติไปกี่วันนะเจ็ดวันสิบสี่วันสุดท้ายก็ต้องก็ต้องกลับบ้านหรือไปเที่ยวไปเที่ยวกี่วันไปให้มันผ่อนคลายสุดท้ายก็อยากจะกลับบ้านดุนยาก็เหมือนกัน ชีวิตที่เรามีอยู่ในดุนเนียเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการเดินทางจุดหมายปลายทางที่เราจะกลับไปในชีวิตในดุนเนียของเราคือที่ไหนเหมือนกับที่เราเดินทางออกนอกบ้านเดินทางออกนอกจังหวัดไหมก็เหมือนกันนั่นแหละเรากำลังเดินทางอยู่เราออกมาจากสวรรค์เหมือนกันตอนนี้เรามาเดินทางบนดุนเนียแล้วสุดท้ายเราจะเลี้ยวกลับไปไหน อ่าอีลาละรบกินนะแล้วมุกลเล่เราจะกลับไปหาพระองค์อินชาอัลลอฮ์เราจะได้เข้าสวรรค์อีกครั้งหนึ่งเราต้องการกลับไปหาสวรรค์อีกครั้งเราแค่มาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นแม้กระทั่งเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันทุกอิริยาบถ ท, ทุกกิริยาทุกกิจกรรมของเราเนี่ยอัลลอฮ์สอนเราให้ผูกโยงกลับไปที่ไหนครับกลับไปที่อาคิีรอ อัลลอฮ์ซุบฮานาลอฮ์ทุกอย่างสามารถนํากลับไปสู่อาค h i ะ a h ได้หมดเลยการขี่รถก็นํากลับไปสู่อัคร i r a h ได้นี่คือมุสลิมนี่คือ ح ي ย ة ตุลมุสลิมวิถีชีวิตของมุสลิมผู้ศรัทธาต่อลอดสุบฮานาวัลลอฮฺผูกโยงกับพระองค์อยู่ตลอดไปละตอนกินก็ผูกโยงกับอัลลอฮฺตอนหลับนอนก็ผูกโยงกับอัลลอฮฺให้นึกถึงอัคร i r a h นึกถึงดวอาดวอาเวลาที่เราจะนอน ว่ายังไงลูกอ like, ่เรัตืินนซ์อัลฮัมดุลิลลอฮที่อนะเห็นไหมบดังจากที่เราเสียชีวิตแล้วขออ้อนอนบิสมิค์ลลอฮ์มะอามูตุวะอัยยาอัลลอฮ์่าตอนจะขึ้นรถก็ยังนึกถึงความตายได้ยังนึกถึงอาคีรอได้อัชาลาห์นี่แหละครับอ่าแล้วชีวิตของเราก็จะมีกับอัลลอฮสุบฮานตัลลาอยู่ตลอดเวลาอ่าไม่มีโอกาสให้ เอความหลงลืมหรือชัยตอนเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของเราได้ถ้าใครที่อยู่กับดวอาอยู่เสมออะเรามาดูอ่เดี๋ยวจะมีฮะดีสบดเด่นเพราะว่าในทัศซีลของอิมลุกอัซซีลเนี่ยเอาฮะดีสมาหลายบทมากนะครับที่พูดถึงดวงอาในการขับขี่ยานพาหนะจริงๆแล้วสุบฮะนั้ละีซักคาระละนาฮะะว่ามาคุณน่าละมุกเรนีนว่อินนาอิลารอบบินาและมุกคลิบุนเนีย เราคุ้นเคยกันดีแต่ถามว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมมากไปกว่านี้ไหมจริงๆแล้วนะฮะดิสของท่านนาบีมีเพิ่มเติมอยู่นิดหนึ่งเรามาอ่านสักหน่อยนะเผื่อว่าใครต้องการจะเอาไปใช้เป็นฮัดติสที่รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับจากท่านอับด um ุลลอฮ์อิบนาอุมราะซิยัลลอฮุะนฮุมาอินนัล น, นบีซัลลัลลัละาอบียะซัลัลลอฮะเัสลัม การ์ด้าร์คิบะฮัลร่าหิลเทห์นบบะร์สาที่ท่านจะเวลาที่ท่านขึ้นไปขี่พาหนะของท่านเนี่ยท่านจะกล่าวตักบีร์สามครั้งอันนี้เพิ่มเติมนะใครจะเอาไปใช้ฟังให้ดีแล้วก็เอาไปใช้หลายลองดูขึ้นไปนั่นปุ๊บอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารหลังจากนั้นค่อยว่า سبحان الذي صخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و إ ن إ ل ن ا لا مطليب อันนี้คือเพิ่มเติมอัลลอฮฺอักบาร์สามครั้งก่อนหน้าที่จะอ่านอุทานี้และมีเพิ่มเติมอีกข้างหลังพออ่านอุทานี้เสร็จปุ๊บมีเพิ่มเติมว่ายังไงอัลลอฮฺเมื่ออิเนา س أ في سفري هذا ا ل ب ق ว่าจ ل ก ا ل นที่เราทำที่เราทำท ل ่เร ن ا ำท ا ่เราทำที่เราท ل ที่เราทำ ا ี่เรา ل ำที่เราทำที่เราทำท ي ่ و ل าทำที م เราทำที่เราทำที่เร ف ทำที่เราทำที่เราทำที่เราี่เ่าทำเราทำทีาทำทที่ท่าทำที่เราทำที่เราทำที่เรเทา หมายแต่ว่าจะออกไปหลายวันจากบ้านจากอะไรเนี่ยก็เพิ่มข้างหลังเขาไปหน่อยอัลลอฮฺอัลลอฮฺอินนิอัสอัลกัฟิซะฟารีฮฺอัลลอฮฺเบัตตวยอัลลอฉันขอความดีฉันขอตักวาจากการเดินทางของฉันในครั้งนี้ยาอัลลอฺ่ขอให้เจอขอให้ฉันได้เดินทางด้วยอามัลด้วยสิ่งที่พระองค์พอพระไทย ขอให้การเดินทางของฉันในกลางนี้ง่ายได้ขอให้อัลลอฮฺช่วยทําให้การเดินทางนั้นง่ายได้ขอให้ทําให้การเดินทางที่มันไกลเนี่ยรู้สึกว่ามันใกล้สําหรับฉันบางทีเราเดินทางไกลนะแต่รู้สึกว่าทําไมมันถึงเร็วยังเลยอัลลอลาทําความให้เรารู้สึกว่ามันใกล้สําหรับเราาไม่ต้องพักเยอะไม่ต้องเหนื่อยเยอะไม่ต้องแวะห้องน้าเยอะอ่ะมันก็ถึงเร็วนะครับโดยปกติอยู่แล้ว a l l พระองค์นั้นเป็นผู้เป็นผู้ที่คอยอะไรนะนผู้ที่คอยอยู่ดูแลเราตลอดการเดินทางเพราะฉะนั้นอ่าเป็นผู้ที่คอยดูแลเราตอนที่เราเดินทางและเป็นผู้ที่ดูแลครอบครัวของเราที่ไม่ได้เดินทางกับเราด้วยเพราะฉะนั้นขอให้เราเดินทางด้วยการดูแลของพระองค์และขอให้พระองค์ดูแลครอบครัวของเราที่เราทิ้งเอาไว้เบื้องหลังด้วย นี่เป็นดวงอาที่ท่านนบีใช้ขอจริงๆแล้วถ้าใครเคยนั่งเครื่องบินแต่เนะครื่องบินสายการบินของประเทศอิสลามนะผมว่าน่าจะเคยได้ยินสายการบินอะไรบ้างที่จําได้ที่สุดที่จําได้จนกระทั่งทุกวันนี้เลยนะก็คือสายการบินของซาอุดีแอร์ไลน์พี่น้องอยากจะฟังดวงอาตอนนั่งเครื่องบินเนี่ยลองดูอ่ะลองไปอุโมงค์แล้วก็ลองนั่งกับสายการบินซาอุดีแอร์ไลน์ดู เพราะว่าถ้านั่งเครื่องอื่นไม่มีแน่นอนเครื่องอื่นไม่รู้ว่ามีต้องประเทศอาหรับอะเอมิเรตมีไหมกาตาอะไรพวกนี้น่าจะมีมึงเนาะกาตาเอมิเรตา์เรนประเทศอาหรับส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับแต่ว่าถ้านั่งซาอุดีเนี่ยจะได้ฟังดูอานี้แน่นอนอก็จะบอกตั้งแต่เครื่องจะขึ้นเลยว่าตอนนี้เรากำลังจะเทคออฟแล้วนะขอให้ทุกคนอ่านได้ เอเป็นเป็นสจวตไม่เ hmm. ป <say ing> <called III> ็น <reps> ว <spoke> ่าจประกาศยังไงวันเราขอเปิดดูอาเดินทางให้ทุกท่านได้ฟังอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบรอัลลอักบรสุบฮานแลดีซัคราเลนฮะมาคุณนลหมุกรินีนวอินนาอลาอบบินามุนกลิบอัลลอฮฺอุมอินนาเนสัลุคฟิซาฟารนาะดับิรรตวาจอ่านเต็มเลยนะอ่าดอาจนเต็มเลยมาชลเรารูู้้สึกุ่นใจ เคยนั่งขั้นึังสายการบินของมาเลเซียแอร์ไลน์แต่ว่าไม่ใช่ทุกเที่ยวบินเฉพาะเที่ยวบินที่มีกัปตันมุสลิมที่เขาอ่านดุอาให้มาเชลล่าอันนี้เป็นข้อดีนะเวลาที่มีกัปตันมุสลิมเขาก็จะอ่านดูอาดูอาเนี่ยดูอาขี่พานะในให้เรานะได้ฟังได้อะไรด้วยมาเชลล่าเป็นการเตือนใจนะครับอนะประมาณนี้อินชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นขอให้เราจำเอาไว้นะครับว่าุบานัลลอฮ์ Omakunna lahumokrinin, mikanaiwa yangai, mienaiya wa yangai, nakap, laman yunai suratuzukuf, kembali duduk di setiap, duduk di setiap, nakap, insyaallah subhanallah taala, ini nak, jadi seperti ini dulu, Allah taala alam, ofqadallah iya kumni ma yuhibu yarba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subhanallah, ini nak, jadi seperti ini dulu, Allah taala alam, ofqadallah iya kumni ma yuhibu yarba, a s l a a l i h i w a b a h b h h i n a s a l l a m o f q h a n a h u y a r b i k a r a b b h l ini a t i a l m a d a l i y u m ا ل س ل ا م الم على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته